ตอนที่3แก่นธทรรมเพื่อชีวิตการดาเนินชีวิตทั้ง3ด้านเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันในการศึกษาเมื่อรู้ธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายและธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เอาความรู้ในความจริงของธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์สาระของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ คือการนำเอาความรู้ในธรรมชาติและกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์สนองจุดหมายที่เราต้องการคือการพัฒนามนุษย์เพราะได้บอกแล้วว่ามนุษย์พัฒนาได้จนสามารถเป็นอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาอาวิชชาตันหาอุปาทานในเมื่อกระบวนการของชีวิตที่เคลื่อนไหวไปนั้นแยกเป็นสามด้านคือพฤติสัมพันธ์ที่เรียกโดยอนุโลมว่า ติกรรมจิตใจและปัญญาเราก็พัฒนาชีวิตทั้งสามด้านนี้ขึ้นไปให้ทำอะไรต่ออะไรได้สำเร็จตามต้องการจนมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยพัฒนาพฤติกรรมขึ้นไปพัฒนาจิตใจขึ้นไปโดยเฉพาะข้อสำคัญที่สุดต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไปเพราะในที่สุดทุกอย่างจะอยู่ในขอบเขตของปัญญา อย่างที่ว่ารู้เท่าใดทำได้เท่านั้นแต่ในทางกลับกันคนก็พัฒนาปัญญาไม่ได้ถ้าไม่มีการสื่อสัมพันธ์การทำพฤติกรรมและการทำงานของจิตใจมาเกื้อหนุนมีหลักการอยู่ว่าองค์ประกอบทั้งสามด้านแห่งกระบวนการดาเนินชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แม้ว่าจุดยอดจะอยู่ที่การพัฒนาปัญญาก็จริงแต่ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นมาลอยลอยไม่ได้ต้องอาศัยจิตใจพร้อมด้วยพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการใช้อินทรีย์สัมพันธ์ปัญญาอาศัยพฤติสัรรมพันธ์คืออินทรีย์สัมพันธ์และพฤติกรรมเช่นอย่างง่ายๆเราจะได้ความรู้เราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายของเรา สื่อความรู้จากโลกภายนอกเข้ามาเราต้องเคลื่อนไหวเช่นเดินไปหาข้อมูลต้องใช้มือหยิบช่วยค้นแยกเลือกเก็บข้อมูลเป็นต้นต้องใช้วาจาเช่นรู้จักสอบถามรู้จักปรึกษารู้จักพูดเริ่มตั้งแต่รู้จักตั้งคำถามถ้าไม่รู้จักตั้งคำถามถามไม่เป็นพูดกับเขาม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้ว่าถามอะไร หรือถ้าถามด้วยคำพูดไม่ดีเขาก็เกลียดเอาไม่ร่วมมือไม่อยากตอบเพราะฉะนั้นจึงต้องพัฒนาพฤติกรรมให้รู้จักพูดรู้จักตั้งคำถามให้ชัดเจนรู้จักพูดให้หน้าฟังใช้ถ้อยคำสละสลวยพัฒนาพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ยังได้ผลดีให้เขามีไมตรีให้เขาชื่นชมให้เขาเต็มใจที่จะร่วมมือเป็นต้น พร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจเช่จนจิตใจต้องเข้มแข็งอดทนมีความเพียรพยายามแนวแน่มั่นคงมีสติมีสมาธิถ้าใจเกียจคร้านระยอท้อถอยไม่สู้พอเจอปัญหาก็ถอยความคิดก็ไม่ก้าวปัญญาก็ไม่พัฒนาแต่ถ้าใจสู้เข้มแข็งเดินหน้าต่อไป ก็สามารถพัฒนาปัญญาได้หรือถ้าไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านก็คิดอะไรสับสนไม่ชัดเจนจึงต้องให้ใจมีสมาธิด้วยดังนี้เป็นต้นสภาพจิตใจจึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาของปัญญาจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม อย่างที่พูดแล้วว่าการเคลื่อนไหวทางพฤติกรรมของคนเราเกิดจากความตั้งใจเราต้องมีเจตนาซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจถ้าเรามีแรงจูงใจและความตั้งใจที่ดีพฤติกรรมที่ออกไปก็จะดีจิตใจก็ต้องอาศัยพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของจิตใจ ใจิตใจอยากได้โนนได้นี่อยากเห็นอยากดูอยากฟังหรือเกลียดชังอยากหนีอยากทำลายอยากไปให้พ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นต้นก็อาศัยพฤติกรรมต้องสำเร็จด้วยพฤติกรรมทั้งนั้นปัญญาเป็นตัวชี้นำบอกทางให้แสงสว่างกำกับควบคุมดูแลจัดปรับแก้ไขขยายขอบเขตพัฒนา และทำหน้าที่ปลดปล่อยช่วยให้เกิดอิสราภาพทั้งแก่พฤติกรรมและแก่จิตใจปัญญาชี้นำพฤติกรรมครวบคุมกำกับขยายขอบเขตและปลดปล่อยพฤติกรรมอย่างที่พูดไปแล้วว่าพฤติกรรมจะทำอะไรได้แค่ไหน ก็ได้แค่เท่าที่มีปัญญารู้เท่าใดถ้าไม่รู้เลยก็ติดขัดตันถ้ารู้เข้าใจพฤติกรรมก็เดินหน้าได้ต่อไปยิ่งรู้เข้าใจมองเห็นกว้างไกลลึกซึ้งพฤติกรรมก็ยิ่งกว้างขวางซับซ้อนและทำได้ผลมากขึ้นมากขึ้นปัญญาบอกทางแก่จิตใจ รวมทั้งชี้นำกำกับจัดปรับแก้ไขขยายขอบเขตตลอดจนปลดปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระอย่างที่พูดไปแล้วเช่นพอเจออะไรถ้ามีรู้เรื่องก็ติดขัดอัดอัน้นตันทันทีทำอะไรไม่ถูกเกิดทุกข์เป็นปัญหาแต่พอปัญญามารู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไร เราจะเอามันมาใช้ทำอะไรได้ก็โล่งโปร่งสบายใจหมดปัญหาไม่บีบคั้นติดขัดขับข้องใจก็โล่งไปเพราะฉะนั้นปัญญามาก็ทำให้จิตใจเป็นอิสระมีความสุขโล่งโปรง่งแก้ปัญหาได้เรียกว่าตัวปลดปล่อยหรือในภาษาอังกฤษคือริเบเลสจิตใจเพราะฉะนั้น ชีวิตทั้งสามด้านของมนุษย์คือพฤติกรรมจิตใจปัญญาจึงคืบคลื่นไปด้วยกันเป็นระบบแห่งกระบวนการที่อาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์จึงต้องพัฒนาไปด้วยกันพร้อมทั้งสามอย่าง